วัดฝนก็ตกลงมาหาใหญ่เลยนะครึ่งชั่วโมงช่วงหนึ่งแล้วก็อีกสักยี่สิบนาทีช่วงหนึ่งล ก, กงงลัวรถวัดจอดเาอ้างไหนยังที่อยู่สาลน้าเอามาหมทุกอาแล้วเนาะน้ำมันท่วมเดีย๋ยรถจะเสียหายหได้ก็เตือนกันมันเคยมีปีที่แล้ว ในวันทำออกไยตอนเช้านะมันมาสองชั่วโมงแช่นะ้าสตาร์ทไม่ติดบริษัท ต, ต้องมาลากลงไปซ่อมในนี้ครูบางคนอาจจะจบปริญญาเอกมาหรือว่าปริญญาโทมาปริญญาตรีมาแต่มันก็เป็นปัญญาทางการศึกษา <c oughs> เป็นปัญญาทางโลกที่มันไม่สามารถดับทุกได้จริง ก็เถือกันว่าคนคิดเก่งอจิยะทางด้านสมองด้านปัญญามีการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกวิทยาศาสตร์โลกหรือว่าหุ่นยนต์โลกต่างๆก็คือใช้พลังของสมองเกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาตายสุดก็คือลองสังเกตดูดรค่าตัวตายหรือว่าทำงานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ ชีวิตลมเหลวลมสลายจนท้ายสุดต้นตรงไปคดอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นอยู่เป็นประจำหรือว่าฝึกกายดีแข็งแรงเข้มแข็งแต่ท้ายสุดกลาวปืนมายิงตัวยางตายกายแข็งแรงแต่ใจมันอ่อนแอเกินนายทหารยังเติร์กปฏิวัติลมเหลวท้ายสุด <c oughs> ใช้เปิดพกยิงสมองตัวเองเละมันเป็นปัญญาแบบโลกโลกมันเป็นปัญญาพุทธะแต่ไม่ได้เสียหายอะไรอาจจะทางด้านสมองคณิตศาสตร์ทางด้านด น, นตรีกีฬาหรือว่าจิตกรจิตกรรมต่างๆวาดวาดเขียนเขียนมันเป็นความสามารถ พิเศษเฉพาะตนแต่มีอย่างคือเป็นอริยะนะก็คืออราาิยะทางด้านธรรมะนะเอาตัวรอดยิ้มได้มาภัยมา mm hmm. การแก่การเจ็บการตายโดยเฉพาะนะ mm hmm. มันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนต้องเจอนะ mm hmm. เรียกว่าสัจจะความจรนะิง mm hmm. ปุถุชนทั่วไปก็อดโอยนะแต่ว่า คนที่ฝึกจิต ด, ดีแล้วนำสุกมาให้ยิ้มได้มาภัยมามีความสำเร็จสูงสุดในโลกมนุษย์นในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเปศาสนาอย่างนี้นะอาจารย์โยกิเป็นชาวญี่ปุ่นในนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นนั่งอยู่จะให้อาจารย์โยกิได้พุทธม ร, รมสุฟัง ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละเป็นธรรมเนียมประเพณีของวัดป่าสุกโตบางทีเราก็เปิดเทปของครูบาอาจารย์หลวงปูเทียนจิตเทวโพรหรือว่าหลวงพ่อพอมเขียนซึ่งท่านเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่นอาจารย์ใบศาลเป็นเจ้า ว, ว่าแต่ว่าปรรษานี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่พูหลงปี<ม>เว้นปีปีหน้าคงจะเป็นที่นี่ละวัดป่าสุกโต<ม>ก็จะมี ตอนนี้ประธานสงก็คือหลวงพ่อทองสุขร์มนสายเยอะนี่ก็จบโครเหมือนกันนันะหลวงพ่อทองสุขจบโค <Okay. S 1> รงตอนหลังก็บวชปฏิบัติหลายปีทั้งยุยทตั้งมานิกา ย, กายชีวิตตั้งชีวิตกับทีน่นัการนี่แหละพุทศาสนาบาวชพุทธศาสนาอาจารย์ญี่ปุ่นทำมาจากญี่ปุ่นเรียนจุลานะเป็นยาโทจุลาแล้วทำงาน เตอคนยากคนจนอะไรมามากท้ายสุดมาเจอหลวงพ่ออมเขียนท่านก็มีความรู้สึกเห็นช่องทางของชีวิตน่บวชปฏิบัติทราบซึ้งในรถของพระธรรมพบกับความสงบลมเย็นเป็นประโยชน์เลยว่าคนญี่ปุ่ น, นมาที่นี่ก็เพื่อมหาอาจารย์ยุกิ เรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมเราันเย็นนี้นะก็ขอกราบนิมนต์อาจารย์ยุกิให้ธรรมะสมควรแก่ธรรมแก่เวลาต่อไปครับผมขอกราบคราบะประรถนานตรัย ประพปติตามประสงกออการณนสนกอเำรมพรญาติยอมนักปฏิบัติตามทุกท่านครับก็อฟันตามสบายๆแล้วกันนะครับก็นั่งยกมือสั้นแจมาก็ได้หรือว่าโดยจอมผ่าโดยลมหายใจหรือว่าตันจฟันขอให้มีสติอยู่กับกายอยู่กับใจ อยู่กับสถานที่วัดปาสกโตที่นี่ที่สรารโคไตรไม่ได้พูนซ้ำคิดพูนซ้ำไปอดีตอนาคตให้อยู่ปัจจุบันขณะนี้ปัจจุบันขณะนี้ไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้กลับบา้านไปที่ทํางาน ไปที่บ้านก็ให้มากลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับกายอยู่กับใจเ็เพื่อนสนิทกันอยู่กับเราทุกเวลาทุกนาทีถ้ากายอยู่ที่นี่แต่ไฟใจไป ท, ที่น่องที่นุ่งก็ แสดงั้นว่าไม่มีสติสตทิ็อย่กบปัจจุบัน่นี่ง้นนี้ก็อิปปัตตุเจ้าก็สอนสารสองไว้ว่ามีประโยคเป็นปัจจาระมากยาจิน้นเพื่อจะได้ดับทุก เื่อบันเตาจีเรตังหาก็มีสติรัตตเจ้าหรืออารมพอตันหลายตัณกสันสองไว้ในโลกนี้ก็มันพอศพความทุกข์ มันหลายเรื่องทางกายทางใจทางความสัมพันธ์กแบับคนนี้คนนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าเราก็รุดออกจากความทุกข์ได้แม้ว่าเป็นอาการารทานต่างเกิดขึ้น อดีตเป็นอย่างนี้อย่งนั้นอยู่กับบรรยากาศเป็นยังไงก็ถ้าเรารักรู้จักรักษาตัวให้ถูกต้นก็จะแก้ไขได้ทุกคนไม่มี ใครเป็นเป็นพิเศษเป็นดับไม่ได้ทุกกล่องก็ได้ขอ้อกาที่ดีพวกเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดภาสกาโตที่นี่ที่นี่ก็ใจวิธี ยกเมืงซานจังหวะแล้วก็เดินจงกรมเป็นหลักแล้วก็นอกนั้นก็เวลาทานอาหารก็ดีตอนซักผ้าหรือว่าเดินไปเดินมาไปอาบน้ำ หลา น, นาแปลงปันให้เวลาทุกเวลาเป็นใช้โอกาสสร้างสติระดึกถึงกายก่อนเราทำอะไรกันอยู่จิตใจอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ แม้ว่าการลบหรือว่าบวกเป็นเดตนาทุกกเวทนาหรือสุกกเวทนาเพมภาพอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้รู้ไม่ได้นี้ไม่ได้สู้ไม่ได้ ทิ้งไม่ได้กดคีกดันให้เห็นชัดชัดเหมือนกับว่าเป็นกระจกรซอนเล็บ ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัดไม่มีมุมเมาออแต่ว่าไม่ได้ยุดมั่นถือมัน่นเอาแต่สนดดูเห็น ก็ได้ผลว่าไม่ได้ติดไม่ได้ยึดมานถือมั่นไม่ได้ซ่านเรื่อนไม่ได้จิตปรุนเต็มไปนี่ไปนู่นก็อยู่เป็นปกติ ธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติเรื่อนเดือนสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาก็จากอาวิจาอาวิจานี่เป็นความหลงลืมตัวเผอตัว คิดพูนสร้างคิดปุ่นเต็มไปทำให้ความโกรธทำให้ความกุ่มใจอิจาริสยาความอยากความโกรธความหลงทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากความหลง เป็นใหม่รู้ตัวลืมตัวแล้วก็ร้อนตัวมันเดิมกับหลมนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ปัญหาฐานใจปัญหาสังคมปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เกิดจากลืมหรือกับหลม เรื่องนี้ก็ไม่รู้ไม่เท่าทันก็เผลอไปคิดแล้วก็หึงสร้างกำวนกับวงกวายไปเรื่อยๆกลับตัวไม่ได้แล้วก็สร้างพังคาด้วยตรงแอน็น อันนี้ก็เริมมาจากความโดน<ม>การโดน<ม>แล้วก็หลงนี่ก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรมีปัญหาเกิดจากที่ไหนแก่ยังไงก็ไม่รู้เรื่อง ก็นี่ก็แก้ปัญหาด้วยการเจริญสติสตินี้แก้ความเดิมได้เพราะว่าตื่นตัวตื่นแล้วก็เห็นชัดเกิดขึ้นอะไรก็ มันรู้เท่าธรรมกายปัญหาก็รู้ปล่อยได้ใจอาการอะไรทต่างเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็ปล่อยได้มันรู้เท่าธรรมไม่ได้ซ่านเรื่อนใหญ่เรื่อนยาว นี่ก็ช่วยได้มากประ ก, การมากแล้วก็ปัญญานี่ก็แก้ความร้มหลนนี้ก็ไม่เรื่อเรื่อนปัญญานี่ก็รู้เข้าใจากองสังกร า, วารว่าเป็นอะไรเป็นอะไร ปังหาเกิดขึ้นถูกขุดเกิดขึ้นที่ไหนก็รู้จุดนี้จุดนั้นแก้ได้ตนนี้ตนนั้นถ้าไม่มีปัญญาก็กว่าจะต้านใจก็ต้านใจแก่ที่ไม่ถูกต้อง จริงๆแล้วเกิดสาเหตุความทุกข์ก็เกิดที่นี่เกิดปัจจุบันเกิดที่เราแต่ว่าอยากจะแก้ไขว่าคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดี คนนั้นต้อเปลี่ยนตนอย่างนี้คนนั้นต้นงเปลี่ยนเป็นอย่างนี้คิดแล้วก็พูดพูดแล้วก็ก็ทำไปเรื่อยๆจะแก้ไม่ได้เพราะว่าฉุดมันปิดแก้ไกลก็ตนนี้ทุกขก็เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันกับเรา ก็แก้หายแก้ไกดตนนี้ก่อนถ้าเรารู้ตัวไม่หล่นไม่ลืม่มก็แก้ปัญหาจิตของเราให้กล่องเป็นปกติเป็นอิสระไม่ทุก ใจเป็นระเส้สุขจิตใจเป็นปัญญีเป็นเวกาใจเป็นไม่เอียนเป็นกลางการก็จะ แนะนำให้พืนว่าเป็นอย่างนี้ก็ตูกต้องได้ถ้าเราแนะนำกับความกรอดความอยากความหลงก็มีกอง ก็ฝันยากรับยากแต่ว่าใจเราแก้ไขไปก่อนใจเป็นปกติสุขอยู่แล้วแล้วก็แนะนำดิจิที่ถูกต้นคนที่ฟังก็รับฝันจะแก้ไข ปังหาก็ได้เพราะฉะนั้นนี <c oughs> ก่ก็คิดว่าผู้าวก็ก็ควรจะสอนปิติการเจริญสติเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหน้าที่ของเราก็ อาพยายามตังต้านใจปฏิบัติรอนดูดูกายดูใจบานทีก็มีความคิดก็เกิดขึ้นเรื่องอดีตอนาคตทำไมเป็นรายเราไม่ต้องแพ่งมั่ง ให้เห็นให้เข้าใจให้รู้เท่าทันนี่ก็พออยู่แล้วถ้าคิดแล้วก็ทำหนี้ตัวเองว่าทำไมคิดไม่ดีไม่ดีอันนี้ก็สร้างความคิดแป่งจิตปรุงแต่ง ให้รื่อนใหญ่สร้างไปเรื่อยๆ เ, เราไม่ต้อนทำอย่างนั้นเอาแต่ดูเฉยๆคิดก็จำมันก็ยอมรับมันให้รู้นี่ก็พอแล้วก็เป็นอาการตาดูดีๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นจิตเป็นชั่วคราวชั่วคราวเกิดขึ้นท่านอยู่ดับไปเกิดขึ้นท่านอยู่ดับไปถ้าไม่ได้เรามันเป็นเป็นนี่ไม้ใจเห็นเป็นก็ เป็นผู้โกรดไม่ใช่ผู้แหงแหงโกรดบางคนละอย่างกันถ้าผู้โกรดนี้ก็มันร้องใจก็ร้องกายก็ร้องถ้าเห็นมัง่งว่าเกิดความเงื้กิดก็ด แล้วก็ปล่อยมันได้้าความกรมอบโมโหจอมเบนนนานยาวๆนี่ไม่ต้องตาดูแล้วก็ปล่อยแล้วก็มันก็เป็นอาการเฉยๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ้าดูแล้วดูเท่าทำมันก็ไม่ได้สามเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่ออกเล็กๆน้อยๆไม่ได้ร้อมเย็นๆใจก็สบายสบาย ไม่ได้เจ็บปวดมากไม่ได้หนักใจเบาๆไม่มืดเป็นสว่างสวายทุกอย่างมีสิทธิที่จะเป็นใจเป็น ส, สว่างส ง, งบสะอาดได้ แต่ว่าเป็นเคยจริงความเคยจริงเป็นกรรมอดีตมาก็บางทีก็เป็นอาการโตตบเห็นนี้เห็นอะไรเป็นอย่างนี้ก็อาการเกิดขึ้นว่าทุกต่างกายตางใจทุกกระเวทนา แล้วก็สร้างความอยากตั้งหาแป่นกามะตั้ห้าภาวะตั้งห้าวิภาวะตั้งหาอยากเป็นอยากไม่อยากเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอยากจริมรถอยากแซบนี่ก็มันก็ธรรมดาเป็นความจริง ของเราแป่งกรรมแป่งอดีตมาแต่ว่านี้ก็แก้ความเคยรินเท่านั้นถ้าเราตัานใจจะรู้ตัวแล้วก็เลือก ทานที่ถูกต้นถ้ามีสติก็เราก็เลือกได้ทุกเวลาทุกนาทีสิ่งที่เป็นทำให้เกิดทุกข์ทำให้เจ็บเศร้ามองกุ้มใจไม่สบายใจ ปล่อยไปได้เพราเราก็รู้อยู่ว่าอ๋ออันนี้ไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์แก่กายกับเรากาใจเราสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นอกุโสรธรรมเป็นให ม, ม่ดีใหม่งามก็ ปล่อยไปเรื่อยๆจะได้กายเบาใจเบาเป็นปาสติเป็นจิตกระเสมิจิตสบายบายทุกกองก็จริงๆอยากตายเป็นอาการเป็นปีตีสุขเวขา แล้วก็เป็นนิพานดับทุกสิ่งเจิญแต่ถ้าไม่มีไม่รู้จักวิธีการที่จะออกจากทุก <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ลลอมไปเรื่อยเรื่อยถ้าแม้ว่ารู้วิธีการ แต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาแต่แก่รู้แต่ซามโมมนี่ก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นจิตเป็นกวามเคยจิมมันก็เป็นแน่งติดมาอยู่ก็เลยเราก็ ไปอายามทำให้ดีที่สึกทำให้ตรนพระพุทธเจ้านี่ก็รับรองว่าดักถูกได้ทุกทุกกองไม่มียกแง้ พระ เ, เจ้าก็ได้ประสบการณ์ได้บรรลุธรรมได้ถึงนิพพานโดยใช้กายใจของตัวเองเป็นตัวอย่างทำ ปฏิบัติแล้วก็ได้ผมแท้แล้วก็ครบาจาที่เคยเป็นทุกข์ที่เคยเป็นตังาปาตางพบชาติติดกับตัวตนแล้วก็ทุก ท่านท่านหลายกูอาจาร์ก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรเทาความทุกข์จิตสบายขึ้นจิตเบาขึ้นสว่างสงบสะอาดแล้วก็ญาติโยมเคยมาปฏิบัติธรรม เอวาปาสุตที่นี่ทางคนตต้ทานญี่ปุน่นแล้วก็ฝ่าหลังหลายกนเกยมาสว่วนหนึ่งก็คนที่เคยตาตัวตายบ้านจต เป็นริบระชเป็นปีปกติหลอกประสาทเป็นบ้าบอโบโบก็มาที่นี่ปฏิบัติก็หายจริงๆคนญี่ปุ่นที่เคยมาหลายคนก็คนที่ไปรงพยาบา โรคจิตแก่ไม่ได้กินยาหลายทุกวันทุกวางแก่ไม่ได้ยิ่งกินยิ่งอาการก็นอนไม่หลับปวดนี่ปวดนั้นจิตเป็นกำบนจิตทุก มาที่นี่ปฏิบัติธรรมเขาหายจริงอันนี้ก็ถ้าเป็นทานจิตตะ อะไรก็มันก็ <c oughs> อาจจะเป็นแปลกมากแต่ว่าที่นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันก็ทำปฏิบัติถูกตน้นก็จุดที่แกปังจุดที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็เราก็รักษาตรงนี้ ด้วยไม่ต้องกินยาก็ได้แก้ไขด้วยตรงแองได้ส่มปัญหาเรื่องจิตใจทางจิตใจด้วยตรงแองก็แก้ไขได้ด้วยตรงแองได้นี่แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้ศึกษา แล้วก็ปฏิบัติที่ทำได้ให้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นเงื่อนไกจำเป็ น, นหน้าที่ของเราจิดว่าก็ที่มาที่นี่ปฏิบัติ สองวัน3วัน4วัน7วันก็ดีทำให้ดีที่สืดพ อ, อสมควรรกยะเวลาก็จะได้ผลได้ทันนั้กตามความตั้งใจของเรานะครับก็คิดว่า ก็เวลาก็30นาทีพอดีก็นาทีทีอ่อจตมาก็ก็เพือจีแนะอ่าเป็นคำสองพระพุทธเจ้าลักๆน้อยๆแล้วก็ให้ความกล้าหา้างให้ความตั้งใจกระตุ้นที่ ท่านตัานาก็ยินดีด้วยอนุโมทนายิ่งก็ให้ทุกทุกกรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมใช้โอกาสนี้ให้หดีที่สุดแล้วก็ใจได้ผมคือบรรเทาความทุกข์ทางใจทางชีวิตของเราให้ลดหล่นลดลมมีความสึก เกิดเึ้งให้มากมาทุกทุกคนเธอ